จเจริญก้าวหน้าในการบำเพ็ญทางจิตหรือการความก้าหน้าในการปฏิบัติธรรมจะพูดอย่างง่ายๆก็ใส่สองส่วนคือการเพิ่มหรือเติมกับการรักษาเช่นการจเจริญสติเนี่ยแล้วก็ต้อง มันเติมมันเพิ่มสติเข้าไปในใจให้มากๆและขณะเดียวกันก็รักษาสติที่มีไว้ไม่ให้รัวไหลกดหายไปถ้าเปรียบใจเหมือนกับภาชนะเช่นตุ่มเนี่ยการที่ตุ่มจะมีน้ำมากหรือน้อยเนี่ย มันไม่ได้ขึ้นอยู่เพราะว่าเติมมากแค่ไหนแต่ยังขึ้นอยู่เพราะว่ารักษาไว้ไม่ให้มันระเหยหายไปเพราะว่าตู้นี่น้าก็เป็นธรรมดาที่จะรั่วไหลซึมหายไปบงทีเราเติม เ, เติมเติมมันเติมแต่ว่าไม่ได้ดูว่ามันมีรูรั่วหรือว่า ไม่ได้คอยป้องกันการรั่วไหลของน้ำนะถ้าเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มแห่งการเติมหรือการเพิ่มสติและปัญญาลงไปให้แก่ใจนะก็ต้องทำควบคู่ไปกับการรักษาไว้ไม่ให้หดหายรั่วไหลส่งหายไป การปฏิบัติในรูปแบบก็เปรียบได้กับการเติมนะเติมสติเติมสมาธิลงไปอย่างที่พูดเมื่อเช้านะครอว่าเราก็ต้องใช้ความเพียรเหมือนกับตักน้ำด้วยกระชอนบางทีเราใช้ความเพียรในการเติมน้ำลงไปในโอ่์ ลงไปในตุ่มแต่ว่าความเพียรในการรักษาไว้มันไม่มีเช่นเวลาปฏิบัติในรูปแบบก็มีความตั้งใจในการปฏิบัติแต่ว่าพอออกจากทางจงกรมออกจากการนั่งสมาธิใช้ชีวิตประจำวันตาปกติไม่ได้ละมัดระวังมีอารมณ์ใดๆมากระทบก็ปล่อยให้ใจฟูใจใแฟบ ขึ้นลงไปตามอารมณ์ที่มากระทบนะยินดียินร้ายนะไปตามสิ่งที่ได้ยินหรือเห็นอันนี้ก็เท่ากับว่าสติที่ได้เก็บสะสมมาทีละเล็กลทีละน้อยก็ร่วไหลาหายไปนะก็กลายเป็นว่าที่ปฏิบัติทำมาทั้งเช้านะพอตกบ่ายก็ ไม่เหลือแล้วนะทั้งๆ ท, ที่เก็บสะสมมาทั้งที่เพิ่มเติมมาอย่างดีในการปฏิบัตินอกรูปแบบหรือในชีวิตประจำวันก็มือนกับการพยายามที่รักษาสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ได้เพียนเก็บเพียนหามาเอาไว้นะอันนี้พูดแบบหยาบๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วในการปฏิบัติ ไมว่าในรูปแบบหรือนอกรูปแบบเนี่ยมันก็มีทั้งการเติมการเพิ่มและการรักษาแต่ว่าในปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยมันจะเด่นตรงที่ว่ามันเพิ่มโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นก็มีแล้วก็รักษาไปในใ น, ในเวลาเดียวกันด้วยนะแต่ว่าในการปฏิบัติดำเนินกิจวัตรในชีวิตประจําวันโอกาสที่มันจะเพิ่มขึ้นมานี่ ไม่เท่ากับตอนที่เราปฏิบัติในรูปแบบแต่ว่าสิ่งสำคัญ ท, ที่เราทำได้ก็คือการรักษาเอาไว้ น, นก็คือการาทำสิ่งต่างๆอย่างมีสตินะไม่ว่ากินดื่มนะวาดบ้านอาบน้ำเช็ดตัวหรือว่าการเดินไปตาม ระหว่างกุฏิที่พักกับศาลาการพูดการคุยอันนี้ขอให้อย่างน้อยๆเนี่ยแม้ว่าจะยังเติมเพิ่มสติหม่เข้าไปในใจไม่ได้แต่อย่างน้อยๆก็ขอให้รักษาของเดิมที่มีอยู่เอาไว้มันก็ช่วยทําให้การปฏิบัติที่เราได้เพียนทำมาในช่วงเช้าหรือในช่วงที่ ได้หลีกเล่นไปเข้าคอสไปเข้ารีทรีทกลับมาบ้านก็ยังมียังรักษาของเดิมเอาไว้ได้พอสมควรอย่างน้อยๆก็ไม่ให้มันรั่วไหลมากเกินไปหรือถ้าดีกว่านั้นก็คือว่าสามารถเพิ่มเติมท่างกลางกิจวัตรในชีวิตประจำวันได้คือเพิ่มเติมสตินะให้เราลองพิจารณาดูว่า การปฏิบัติของเราไม่ว่าในรูปแบบหรือว่านอกรูปแบบไม่ว่าในช่วงที่หลีกเล่นเข้าขอคอร์สหรือไปรีทรีตเก็บตัวกับพอออกมาปฏิออกมาใช้ชีวิตในโลกกว้างเนี่ยในชืวอประจำวันเนี่ยเราได้ทำสองสิ่งนี้หรือเปล่าคือการเติมนะและการรักษา ถ้าหากว่ายัางเติมไม่ได้มากแต่มากก็ขอให้รักษาเอาไว้เท่าที่จะทำได้มันก็ก็จะความก้าวหน้าในการปฏิบัติก็จะจะค่อยค่อยเห็นผลไปเรื่อ ย, อยนะส่วนใหญ่เนี่ยเก่งในการเติมเพิ่มแต่ว่าในการรักษานี่ไม่ค่อยสนใจหรือไม่ค่อยระมัดระวังเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเข้าไปปฏิบัติหรือว่าใช เวลาในการรีทมากแต่ว่าพอมาออกมาจากรีทออกมาจากการปฏิบัติมาอยู่ในชีวิตประจำวันก็ไอที่เติมไว้ก็หายไปหมดนะเหมือนกับว่าโอคงที่มันมีรูรั่วรูใหญนะ่แม้จะเติมขนาดเติมแบบไม่ใช่ใช้กระชอนั่นนะเติมแบบนะเปิดน้ำก๊อกลงไปเลยเปิดน้ำก๊อกน้ำมันไหลาจากก๊อกมันเยอะนะแต่ว่า ไม่เคยเต็มสักทีเพราะมันรั่วไหลไปหมดอาการรั่วไหลนี้นะมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันมากเท่ากับการที่เราไม่ได้รักษาใจในระหว่างทากิจวัตรมากกว่านะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ให้เราพยายามตรวจตราดูว่าเราได้มั่นเพียนในการเติม สติลงไปให้กับใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เรามีความระมัดระวังในการรักษาเพียงใดนะอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องทำควบคู่กันอย่าว่ า, อ ย, าอย่ามันเติมแต่ว่าละเลยการรักษาอันนี้ก็ให้ฝากไว้นะในการปฏิบัติของเรายิ่งถ้าหากว่าเราทำให้เกิด2อ อ, อย่างขึ้นในเวลาเดียวกันได้ ในวันในการปฏิบัติรูปแบบหรือในการปฏิบัตินอกรูปแบบคือมีทั้งการเพิ่มเติมแล้วก็การรักษาระหวังที่ปฏิบัตใิในรูปแบบนะแน้ว่าใจจะเผลอจะลอยอยังไงแต่มีสติรู้อยู่เป็นขณะขณะอย่างต่อเนื่องนะการถ้าเป็นชนิดการล้วนไหลก็จะน้อยลงแล้วก็การเพิ่มการเติมก็จะคืบหน้าไปได้เรื่อยๆอันนี้ก็จะทาให้การปฏิบัติของเรามีความก้าวหน้ า, าเร็วขึ้น ก็ฝากเอาไว้